พระพุทธเจ้านะคือว่ า, าภาษาจีนว่ า, านามโมเสกยามนมุญูบคือคื อ, ค, อ, ค, อคือไม่ให้เป็นอื่นไปเลยจากอันนี้เนะี่ยในลักษณะซึ่งเราจะรู้ถึงพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ จ, กจักรลูกป ร, ริภัง น, นะะแบ่งเป็นแดตอนจากที่แดตอนนี้เนะี่ยว่าพระพุทธเจ้ามาสแสดง เป็นการแสดงของพระพุทธเจ้าในอในชาติของของมนุษย์แสดงให้โลกคือไม่เขาว่าพระพุทธเจ้านะเนี่ยคือมาประสูตินะไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปสําเร็จที่ใจจนโทคือของอาญา น, นี่ไม่ยอมรับบอกว่าพระพุทธเจ้าไปสําเร็จที่ใจจนโทไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาแสดงมาแสดงอะไรต่างๆเพื่อจะให้รู้ว่า พระพุทธเจ้ามาอปฏิสนธิแล้วก็ประสูตรในโลกแล้วก็เอแล้วก็ออกแสดงธรรมแล้วก็ปรินิพานแล้วก็ประกาศธรรมอย่างนี้แบ่งเป็นแปดตอนนะเป็นการแสดงของ อ, อของพระพุทธเจ้าแต่ว่ า, าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปนสิทธิอย่างที่สุดก็ไม่ใช่ว่ า, าพระเจ้า อสำเนียที่ใต้ต้โนโพนะพระเจ้าเกิดเล่าอย่างนี้นะะคือพระเจ้าเกิดตั้งแต่เอประสูติเล้วเป็นอย่างนี้ครับออาจารย์จะว่ายังไงครับเพรานะว่าเพราะว่ามันเป็นการเข้าใจคนละอย่างนะแล้วอย่างนี้มันจะขัดกันหรือเปล่ามไม่ไม่ขัดะครับไม่ขัดน <_ assumed> มันเป็นเพียงอความแคบและกว้างที่จริงคติในเรื่องของพระเจ้าเนี่ยมีหลายคติมากนะครับการเสด็จมาเนี่ย บางทีมันกินความรว ม, มคล้ายทฤษฎีอวตารด้วยนะฮแต่พบ ว, ว่าพระเจ้ายัางภายในเรวาเ่าเราเล่ากันว่าพระเจ้านี่คือสันตุสิทธิ์เทวบุตรถูกอัญเชิญจากสันตุสิทธิ์ให้ลงมานะฮะมาเป็นพระเจ้าที่อาจารย์เปงโง่พูดนี่เป็นแนวคิดของมหายาณนะครับก็คือว่ า, าพระเจ้าองค์หนึ่งก็เกิดขึ้นมาเพื่อขนถ่ายสรรพสัตว์ไปสู่อนิพพานเป็นการสำแดงองค์ให้ปรากฏในโลกมนุษย์ ซึ่งคงเคลียเป็นเรื่องของอภิปรัชญานะครับ เ, เรื่องลึ ก, ลกซึ้งอยู่แล้วก็มองในแง่ของกระบวนการทางสังคมนั้นเป็นการง่ายมากกับที่จะทำให้เกิดกระบวนการทางวัฒนธรรมขึ้นโดยอาศัยความเชื่อโดยเพราะของนิกาเยเซมไทยอะไรเนี่ยซูซูกินะปลาดใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยได้แถลงความดีของนิกายนี้เยอะซึ่งรออจะดูถูกนะฝ่ายตีลวาาหรือเซนอาจจะดูถูกแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ภาษาอังกฤษเขใช้คำ practical มาก ซึ่งเราเห็นอาซิมจงลงเจนะฮะนอนสวนมนต์เนี่ยเราอาจจะดูแคลนถ้าเราเป็นนักวิปัสนาที่ชอบคลำวอดกันที่อาจารย์เป็นงเวพูดผมก็ไม่ว่าอะไรครับเพียงไม่ไม่ว่าอะไรเลยพเพียงแตว่าเป็นเป็นกระบวนทกา์คือวิธีมองให้กว้างหรือแคบนะแต่ใ น, นสื่เมื่อเราปฏิบัติทำเราต้องมองกันที่ตัวเองจนได้หละไม่ไม่ได้มองที่พระเจ้าหรอกถูกฮหถือว่าพุทธะ ทุกๆคนคือผู้เจ้าพูดอย่างนี้เป็นมหายาณ น, นะฮะฝ่ายเทว่าเขารับไม่ได้ครับผู้เจ้าอะไรผู้เจ้ากินเหล้าด้วยเหรอเมเห็นผู้เจ้าหลายพระองค์นั่งในร้านน้ำชา <laughs> อันนี้เป็นเรื่องการมองที่จำเพาะหรือกว้างนะฮะอันนี้มันเหมือนกับว่าพูดไปแล้วเหมือนกับว่าลิเกหรือมโนลาจะเล่นนะฮะเท้ามนโนลาลงใหญ่แล้วเขาไม่เล่นกับแคบเลยครับเขาต้องลวกลกรองกันครึ่งคืนก่อนเรียกคนก่อน ดังนั้นถ้าเราต้องการทัศนธาที่กว้างใหญ่นะฮะภัยสารอกอุ้มสรรพสัตร์ไว้เนะี่ยต้องมองที่หมหาญาณนะครับแล้วยังมีเรื่องอนาคตบวงนะฮะผู้เจ้าอีกพระองค์หนึ่งในอนาคตถือว่าใครก็ตามสร้างบารมีที่จะรู้ถึงที่สุดในาศาสนาของพระเจ้าพระองค์ไหนก็พระองค์นั้นนั้นแรงอธิษฐานเนี่ต้องแรงอันนี้แนวคิดอีกแนวหนึ่ง แต่ไม่ว่าแนวนี้หรือแนวที่เชื่อพระเจ้าตรัสรู้ใต้จนโพก็ตามนะในสุขเราต้องย้อนมาทําความกระจัดแจ้งในเรื่องอริยศาสตร์ด้วยตัวเราเองนั่นเองดังนั้นเพราะไม่ว่าอะไรเลยครับมันมันมันสวมกันได้มันเหมือนของของสิ่งไม่ได้ขัดกันแต่มันสวมลงกันได้เหมือนผมเคยพูดคราวก่อนนะว่าในมหายานมีหินยานหินยาณมีมหายานคะรับเรื่องสุญญาตาแล้วก็มีในฝ่ายเราครับแต่ว่าใครจะไปดึงเอามาใช้เพียงใด น, นะะดังนั้น ครับเชินครับคือเรื่องมัญายานก็เป็นเรื่องของมหมายยากเรื่องของความเชื่อศรัทธากันนะครับแต่ผมก็ขอแสดงความเห็นเห็นว่าถ้าเราทางเทราวาเนี่ยเราเชื่อว่าพระเจ้าแล้วเป็นพระอรหันต์จะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะไม่บังเกิดอีกอย่างน้นพุภูมินี้เป็นมนุษย์นี่ไม่เกิดแน่ส่วนจะไปเชื่อว่าไปเสือเป็นภพไปอยู่ในสุขาวดีเป็นเทพอยู่ข้างบนนั้นไม่ไม่ว่ากันเพราะเราไม่เห็น นะครับแต่การจะเชื่อว่าพุทธเจ้าลงมาเกิดอีกเป็นซึ่งเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมันขัดแย้งกันเองก็อยู่ในตัวถ้าอย่างนั้นผมไม่เชื่อนะครับเขาเขาสุขสวรริตความเชื่อนี่ครับเอาที่จริงในตามทฤษฎีของพญาานเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครเขาไม่ได้คิดว่าพุทเจ้านี้ตายแล้วมาเกิดใหม่พระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเงไม่ใช่างนั้นก็ถือว่ามันมีเรื่องอันตรกรับช่องว่างลูกพุทธันดอนพุทเจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยสั่งสมบา ร, รมีมากินช่วงเท่านั้นเท่านี้กับนะคร และสรรพสัตว์ที่เกิดเนี่ยก็อาศัยบารมีของพระองค์ท่านนะเข้าสู่ผลิภานเมื่อสิ้นยุคนี้แล้วนะอาจจะมียุคต่อถัดไปหรือไม่ก็ว่างเป็นสุญญากับคือไม่มีพระเจ้ามาปรากฏในโลกนี้เลยนะแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มศาสนาของพระสมมารพระเจ้าพระองค์ใหม่แต่ว่าในพระสูตรของเถราวาสนะพระพุทธเจ้าพยากรณ์อชิตตะพิกขุอชิตตะเป็นพระสู ท, ที่บวชกับท่านทั่นบอกในกลับโนนกับนี้นะเป็นคําพยากรณนะ์ จะมาตรัสเป็นพภาษีอารยธรรมไม่จ่และเป็นพรามณ์ด้วยครับไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็ น, เ ป, น, เ, น, น, นเป็นวณะอื่นเป็นวรนนัพราหมไม่ใช่กษัตริย์ด้วยครับแต่ผมอ่านอนาคตวงศ์แล้วนี่วิธีเขียนนีคือเหมือนกับพระเจ้านะครับต้องออกบทตั้งนั้นไปไปนั่งใต้ต้นเหมือนกันหมดอ่าครับแต่ว่ามีหลักกันหนึ่งนะที่สําคัญมากผมคิดว่าสัมพันธ์กับชีวิตมากๆนะสมานานสมตุติเราเชื่อพระเจ้า เป็นพระเจ้าตั้งแต่ก่อนมานะหรือเป็นเจ้าชายมาแล้วเนะี่ยคือพุท ธ, ธะที่แสดงตนแล้วนะเราจะขาดความเข้าใจที่สัมพันธ์วิถีชีวิตจริงๆของเราเป็นอันมากตรงที่ว่าเออนี่ผมไม่ได้แย้งมหายาเนะแต่ผมชี้ข้ อ, ข, อข้อเด่นว่ากราบใดที่เราเชื่อพระเจ้าเป็นเทพจดาหรือเป็นไอออกตาเนี่นะฮเราก็ได้แต่กราบว่าสําหรับผมเองผมเคยเชื่ออย่างนับแต่ว่าต่อมาผมเริ่มมองใหม่นะ เมื่อมองว่าพระเจ้าคือคนธรรมดาสามัญคนมีกิเลสเราพบได้ว่าคืนก่อนตรัสรู้นะอะไรการคนระดับพระเจ้านะมันทำไมกิเลสมากถึงขนาดนั้นที่ถูกสร้างขึ้นด้ยบุกลาธิษฐานนะฮะปชนมานะฮะโอ้เรายังไม่คิดอย่างนั้นเลยยังไม่คิดถึงแม่ถึงพ่อถึงขนาดนั้นเลยทํำไมพระเจ้ามากถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวมาออกมาดูวองค์ลาหุนบ้างพิมพาบ้างท่านสับสนนะถ้าตามประวัติเทววัฒนะ ท่านสับสนมากเลยนะครับแล้วก็ท่านอภิษฐานด้วยแรงใจอย่างเดียวท่านสู้มาไม่ได้ครับแต่อภัยอภิษฐานอย่างเดียวเท่านั้นเองร้อนถึงแม่ทรณีรบทบาทแม่ทีนี้มันประหลาดมากนะครับตรงที่ว่าพุทธศาสนาไม่ว่าในลังกาในเดียวไม่มีเรื่องเรื่องราวของแม่ธรณีมันมามีในบ้านเมืองนี้ครับซึ่งบ้านเมืองนี้มีประสบการณ์ซึ่งผิดแลกจากเมืองพุทธอื่นนี่มันถือว่า การสัตว์รู้อนุตระสัมมาโมทิของพระเจ้าไม่ใช่ความสามารถของปัจเจกไม่ไม่ใช่อัจฉริยะของพระเจ้าแต่ด้วยการสมทบของแม่ธรณีพลังลึกลับของธรรมชาติครับพระเจ้านั้นพัฒนาท่านมาเรื่อยนะมาถึงจุดหนึ่งนั่นเองพอถึงจุดหนึ่งนี่เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแม่ธรณีมีบท บ, บาทสูงสุดนะในช่วงโมงยามนั้นเนี่ยบีบมวยผมมารก็แตกกระเจิงเลยที่นี่น่าประหลาดใจนะตรงที่ว่าประกาศนําเหล่านี้นะ กรำราเขตอยู่นี่น่คิดหน้าตีความมากพระเจ้าจับจรู้แล้วนะมายือนอยู่ที่ยืนเพ่งเมเนตไม่กับพิบเนตเจ็ดวันที่ดามานตามมาตอแยอีกมันหมายถึงอะไรครับมันหมายกิเลสสิ้นซากไปแล้วหรื อ, อยังเหลืออยู่บ้างเป็นกลิ่นหรือเป็นไอหรืออะไรก็ไม่ทราบอันนี้เราตีความตามภาษานะะแต่ว่ามันชวนให้กบคิดผมชอบตรงที่พระเจ้าด้านตรัสรฮ้โดยทั่วไปศาสนาอื่นเนะี่ยคือ ศาสนามากจะตัดหลักของความเชื่อต้องเชื่อเท่านั้นนะแต่พุทธศาสนาพาระเจ้าตัดหลักของความไม่เชื่อสิประการเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากที่ปฏิเสธแม้ตัวเองอย่าเชื่อแม้แต่ครูนั่นเองนั้นฝรั่งนักคิดหรือนักปราชเนี่ยยอมสยบด้วยผลข้อนี้เนี่ยรงเทว่าแล้วมีพระสูตรบอกว่าตราบใดที่เธอและเรายังไม่รู้แจ้งอริิขิตคือท่านเปรียบเธอและเราคล้ใกลท่านเหมือนกันอื่นนะ ราบนั้นเนี่ยยังต้องวนเวียนในวัฏสงสารฟังแล้วเหมือนอะไรบางสิ่งซึ่งจึ ง, จงคล้ายๆว่าใกล้กับใกล้กับชีวิตของเราขึ้นมาไม่เช่นนั้นนะฮะเราจะกลายเป็นเหมือนเป็นเรื่องของท่านพุทธศาสนาเป็นเรื่องของท่านเราเดินตามหลังก็แล้วกันโอเคพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเทระวาดดูแล้วตีบแคบแต่ลากลึกครับเทระวาดมีลากลึกมากมากนะ แต่ดูดูครั้งแรกดูติสมหารยานี่เหมือนปากผนังนะฮะปากพนังเนะป๊ปะนะครับใหญ่มากครับกว้างดังนั้นเราจงเห็นทั้งสองซี่คดีนะครับแล้วก็เรียนเอามภารยานก็มีเรื่องลึกซึ้งมากนะโดยเฉพาะเรื่องลังกาวตางรสูตรผมไม่อ่านนะทั้งเอาเรื่องทศกัณฐ์มาโต้คาลมกับพระเจ้าเนะี่ยฟังดูแล้วไม่เข้าเรื่องแต่เนื้อหาที่โต้ลึกเนื้อหาที่พูดนะครับผมผมแสดงความเห็นได้เท่านั้นนะครับ อยากทราบว่าในสมัยอินเดียนะคือการเกิดวันน่ะเกิดจากคนเผ่าอะไรมาเช่นจะใช่เผ่าอรารยันหรือไม่อ๋อครับ่าดีมากครับแต่ว่าเวลาคง ม, มีน้อยมากผมตอบสั้นนะครับคือตั้งใจจะถามนี่ว่าถ้าเช่ น, นั้นพุทธเจ้าเป็นกรรษัตริย์ก็น่าจะเป็นวันณะกรรษัตริย์เนี่ยคงก็ทรงจะรักษาความรู้สึกอันนี้ของชาวอรารยันด้วยหรือเปล่านี่มองแง่เป็นชาวอรารยันมองแง่ที่ดีครับวันณะนั้นเป็นระบบซึ่งใน อคันธิสูตรเล่าไว้นะผู้เจ้าของเล่าว่าวันนั้นที่เกิดขึ้นมาในกษัตริย์เกิดก่อนนะวันนั้นแรกพราหมณ์แล้วก็ไวยศยะแล้วสูตรต่อมาเกิดการปฏิวัติโค่นล้มมรณาจกษัตริย์พวกพระอมค์ขึ้นไปอันดับต้นลดกษัตริย์ลงส่วนเรื่องราวของอารยันที่เข้ามายกตัวเองเป็นวันนัสูงนะฮะเป็นพระรา์เป็นกษัตริย์แล้วลดชาวพื้นเมืองที่เรียกว่าพวกอ่าโกลาเลียนแล้วพวกอ่าทราวิเดียนนะฮะแล้วเรียกว่าทัศยุหรือที่เรารู้จักว่ามิลักค่ะ มีลัาษณะแบพวกตาพองครับชื่อนี้หมายถึงพวกชนที่ตากว้างอีกข่าแวแบบตาครับมีลักษณะตาเหลือกพวกพวกตาใหญ่ยนเะนี่ถูกลดเป็นทัศยุคือธาตุคติอันนี้นะฮะมีข้อโต้แย้งมากมายเลยนะะนักปราชญาอินเดี ย, ยไม่ยอมเชื่อเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเขาถือว่าชาวอินเดี ย, ยอยู่ที่นี่มานานแล้วไม่ได้อปยกเข้ามาด้วยซ้ําไปไอ้ น, นี่นี่เป็นทีคติหนึ่งนะ แต่ว่าที่แน่ที่สุดนะหลักฐานที่โมฮนชอดาโรและฮารป์ปาห์นะเมืองแถวอัฟกานิสถานนะที่มีหลักฐานก่อนหน้าพุทธกาลนะบพบว่าชาวมิละขะที่เราเคยเข้าใจผิดว่าป่าเถื่อนนะไม่อย่างนั้นครับปราคฏเขารุ่งเรืองมากๆเลยมีระบบสุขาภิบาลมีผังเมืองมีอะไรนะี่ยอดเยี่ยมเลยเจริญยิ่งกว่าเผ่าอารยันที่ลุกไล่เข้ามาอีกนี่คือข้อเท็จจริงอันหนึ่งหลักฐานค้นพบอย่างนั้นนะฮะ แต่มีจุดอ่อนด้วยคือเขาไม่พบซากของม้าเลยครับเป็นไปได้ตรงเนื้อเมื่อขาดมา้ากําลังต่อสู้ต้านทานไม่มีทีนี้พวกขรรคซอยพวกอารยันที่เรียกเองอารยันตามทฤษฎีฝรั่งนะฮะเป็นนักรบขี่มาเป็นนั้น ก, ก็ลุยเข้ามาแต่ท้ายที่สุดบวกลบคูณหารแล้วนะหลังจากเป็นอินเดียขึ้นมาแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของมิลลัคะนั่นเองที่ได้กลายเป็นเนื้อเป็นตัวของวัฒนธรรมอินเดียจนทุกวันนี้ พุทธรูปที่เราเห็นที่ผิวเกลี้ยงงามๆนี่ฮะเป็นรากฐานของวัฎธรรมมิลขะเขาค้นพบรูปล่างของมนุษย์นีฮะที่คล้ายพุทธรูปตั้งแต่ยุคนั้นแล้วครับส่วนอารยันนั้นเป็นชาติซึ่งบลาเถือนมันคล้ายๆพม่า ก, กับมอญเนี่ยนฮะพม่านี่ไปสูงวัฎธรรมมอญคือมอญเขาจเจริญมาก่อนทีนี้เขาไม่ใช่นักสู้นักลบอะไรทีนี้พม่า ก, ก็ครอบมอญแล้วกลายเป็นวัฎธรรมของพม่าไปกำนองนั้นนะครับ ระบบบน้านี่เป็นระบบซึ่งผู้เจ้าทรงต่อต้านอย่างเป็นอย่างมากนะฮะทรงไม่ยอมรับเลยว่าอันนี้น่าคิดมากครับที่ว่าเนี่ยทําไมพระเจ้าไม่ยอมเราแต่ว่าทําไมเชื้อสายขององค์ท่านยึงถือตัวนักมืดแปด้านนะครับเพียงแต่กลุยทางนำมาให้แล้วแต่ว่าจะค้นคว้าต่อไปนะผมแน่นะฮะใครที่จะค้นคว้ากันไหนแหล่งที่ที่น่าค้นคว้าคือเผ่าสกยะในในปาน่าน เขาเขาพูดภาษาอะไรมีสับแสงที่มีต้นเขาจากภาษาไหนบ้างนะที่ว่าเซเลเนี่ยมีภาษามากครับที่ร่วมลากกับกับภาษาไทยนะมากทีเดียวแล้วกับภาษาสันสกฤตด้วยครับเช่นชาวพื้นเมืองเวาเซเลียทักกันว่าให้นารักเป็นไงมนุษย์เรียกนระเลยนะแล้วหมอผีชื่อหมอผีกุกุรุรุคือคาว่าครูคำว่าอากูกับคำว่ากู ซ้ำกันมากครับเหมนกันเมื่อผมนั่งฟังกับผนะู้อื่นคล้ายๆจะรู้เรื่องแต่จริงไม่รู้เรื่องครับคือต้อยคํามันคล้ายๆเราจะเข้าใจเข้าใจกันได้รวมทั้งที่เกาะ อ, อันดามันด้วยครับภาษาพื้นเมืองเป็นภาษาคล้ายๆเป็นภาษาต้นต่อที่เคยแทร่หลายอยู่ทั่วแหลมมาเลเนี่นะฮะค้นไปทางนี้คนไปทางนี้ค้นไปทางนี้แต่ในสุดผมเชื่อเลยนะครับว่าเราจะไม่พบเลยพระเจ้าเป็นเชื้อพันธุ์ไหน <laughs> เราจะพบไม่ได้เลยเพราะ มันผสมผสานไงนะฮะผสมผสานอย่างไม่งว่าแต่จุดน่าสนใจผมเน้นอีกา น, นี้นะครับตอนที่พระเจ้าโอกากราชทรงขับไล่พระราจารถทั้งสิบขับไล่ไปจากไหนไปอยู่อีมาลัยนั้นใช่ละเรามีหลักฐานนะฮะที่ตุลาโลก่นไม่มีผมเ้ยไปที่แม่นม้ําุลยนี้แม้แต่พระราติศาสตร์สามฤ ด, ดูที่พระเจ้าเคยอยู่ตอนเป็นเจ้าชายก็ยังมีซากอยูน่นะฮะมีหลักฐานพร้อมมีที่ถลุงธนูแต่ว่าตอนนี้นักโบราณคดีของอินเดียกับ ในปานทะเลาะกันบ้านแตกกันแล้วครับพอพบหลักฐานสองแห่งน้ําหนักไล่กันแล้วถ้าแห่งไหนชนะพิสูจน์เป็นกบิลพัฒแห่งนั้นรวยด้วยนักท่องเที่ยวชาวพุทธทั่วโลกครับมันก็ต่อสู้แล้วก็กระดาฝากไปครับผมผมไปหาคนนี้อนนี้ก็ด่าฝากไปทั้งหเป็นเรื่องการเมืองแล้วครับไม่ใช่เรื่องความนักวิชาการคิดว่าหมดเวลาจริงๆริแล้วครับขอจบเท่านี้ครับ